จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในวันเวลา และทางสถานีเดียวกันนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพจะได้นําธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยามังคลโอเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้บรรยายธรรมเรื่องนี้ไว้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเมื่อวันที่6เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2541 เนื่องในโครงการอบรมธรรมะปฏิบัติเพื่อเยาวชนภาคฤ ด, ดูร้อนประจำปีซึ่งในปีนี้มีเยาวชนชายเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน250รูปและเยาวชนหญิงซึ่งเข้ามาบวชเนกธมจารีนีถือศีลแปดแต่ไม่ต้องโกลผมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเนื้อหาสาระในธรรมะบรรยายที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านได้อธิบายขยายความไว้นั้นก็ได้นาออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง9ออกอมตมทออีกทางหนึ่งจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมและเยาวชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังธรรมบรรยายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เน้นถึงหลักในการละความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสซึ่งเป็นหลักธรรมคือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ แก่พระอาหารหันต์ขีนาศพ 1,250 องค์ที่เวรุวันเมืองราชครึกเมื่อ 2,580 กว่าปีที่ผ่านมาจึงขอเชิญท่านสาธุชนตั้งใจสับรับฟังธรรมบรรยายต่างต่อไปนี้สำหรับวันนี้หลวงตาจะได้บรรยายธรรม ต่อจากที่ได้เคยบรรยายมาแล้วว่าการให้การศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติแก่สามเณรหรือเยาวชนผู้บวชสามเณรและเยาวชนหญิงผู้บวชเนคธรมจารีในรุ่น โครงการอบรมธรรมปฏิบัติแด่เยาวชนภาคฤดูร้อนและยังจะมีการอบรมธรรมปฏิบัติอื่นๆดังเช่นที่ได้อบรมพระกรรมฐานแด่พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายรุ่นต่างๆที่ผ่านมาแล้วและที่กําลังจะมีต่อไปนั้นก็ได้อาศัยหลักธรรมคือหลักการปฏิบัติตามพระสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงแสดงเป็นหลักไว้พิจารณาสำหรับการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติคุณความดีที่จะให้การดำเนินชีวิตดำเนินไปในแนวทางที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข นี่พูดเฉพาะในระดับโลกิยธรรมก่อนและไม่ดำเนินไปในแนวทางที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนและสูงขึ้นไปถึงขั้นโลกุตตรธรรมคือคุณธรรมหรือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจให ถึงความดับทุกข์หรือสิ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงกล่าวคือให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้อันเป็นคุณธรรมและหรือภูมิธรรมที่พ้นโลกคือให้พ้น จากเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงแต่ว่าได้ผลดังกล่าวนั้นเป็นขั้นๆไปตามลําดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้จนถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขหลักธรรมที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับวัตถุประสงค์ดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงไปนั่นก็ดำเนินตามหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงแสดงไว้แล้วว่าการไม่กระทำความชั่วทั้งตัวหนึ่งการกระทำแต่คุณความดีหนึ่งการอบรม ชำระจิตใจให้ผ่องใสอีกหนึ่งทั้งสามประการนี้เป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มีมาแต่อดีตนับไม่ถ้วนจนถึงองค์ปัจจุบันที่ได้เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพานด้วยอนุ ป, ปาทิเสสนิปานธาตคือกายเนื้อ หรือกายมนุษย์นี่แตกทำลายแล้วคงแต่พระนิพพานธาตุสถิตยั่งยืนสเสวยวิมุตติสุขอยู่ในอายตนะนิพพานเป็นธรรมชาติที่ยั่งยืนเป็นบรมสุขเป็นอมตะธรรมที่ไม่ตายเพราะเป็นธาตุล้วนคำล้วนที่บริสุทธ ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยและเมื่อพระอริยเจ้าสัตนบรรลุชั้นสูงสุดเป็นพระนิพพานธาตุโดยประมัตฐธรรมนั้นแล้วย่อมมีแต่ความสุขซึ่งเหนือความสุขอย่างชาวโลก คือสุขที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งทางจิตใจและร่างกายอีกต่อไปและเป็นสภาพธรรมที่ไม่ต้องตายจึงไม่ต้องเกิดอีกดำรงอยู่อย่างนั้นตามภาษาบาลี ที่แสดงว่าทุวังแปลว่ายั่งยืนหรือทุวัฏฐานังเป็นฐานะที่ยั่งยืนแต่ว่าสภาวะธรรมนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้รู้ให้เห็นให้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่บรรลุมรรคผลนิพานนั้นตามลำดับขั้นไป ก็จะเข้าใจด้วยตนเองที่หลวงตาพูดนี่พูดโดยอาศัยหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วและอาศัยคำอธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์และประสบการณ์ของการปฏิบัติของครูอาจารย์และเพื่อนสาธรรมิก ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ผลดีตามสมควรแก่ธรรมและหลวงตาเองก็พยายามฝึกฝนตั้งใจปฏิบัติพอจะได้เห็นช่องทางตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนั้นและได้ตรัสรู้คือได้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นหลักธรรมนี้ งเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดที่สาธุชนคนดีหรือบัณฑิตผู้มีปัญญาพึงศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ในระยะเวลาที่มีโอกาสคือยังมีชีวิตอยู่และมีความเป็นอยู่ ในระหว่างเวลาที่พระสัต ธ, ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีการแสดงไว้ด้วยดีนี้ทีนี้หลวงตาได้เคยกล่าวมาแล้วถึงข้อปฏิบัติให้ละความชั่วหรือบาปอากุศลทั้งปวงมาแล้วในคราวก่อนวันนี้จะได้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรม สามหลักข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้คือการกระทำคุณความดีทางกายทางวาจาและใจและคุณความดีที่ว่านี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติชั่วนั้นนั่นแหละและคุณความดีที่ว่านี้ก็เริ่มตั้งแต่การละความชั่วทั้งปวง คือละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตดังที่ได้แสดงไปแล้วและพึงละเลิกหรือไม่ข้องเกี่ยวไม่ติดอยู่ในอบายมุกอบายมุกนั้นหมายถึงความประพฤติปฏิบัติที่เข้าไปใกล้ปากทางแห่งความชิบหาย ได้แก่การเป็นนักเลงผู้หญิงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายคือสับสนในกิเลสกามการเป็นนักเลงสุรายาเสพติดทั้งปวงการเป็นนักเลงการพนันการติดที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรและการเกียดคร้านในหน้าที่การงานเหล่านี้เป็นต้นให้กลับกระทาอยู่แต่ในคุณความดี อย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นด้วยการรักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าซึ่งท่านทั้งหลายทราบดีศีลแปลว่าปกติหมายถึงการกระทาคุณความดีโดยปกติถ้าว่าใครประพฤติผิดศีลหรือที่เรียกว่าทุศีลนั่นผิดปกติแล้วเพราะความประพฤติปฏิบัติที่ผิดศีลหรือทุศีลเช่นนั้นนาตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อน แต่ว่าให้กลับประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลและยังต้องกระทำคุณความดีในฝ่ายตรงกันข้ามกันซึ่งหลวงตาจะขอยกตัวอย่างณบัดนี้ว่าความประพฤติผิดศีลซึ่งเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในข้อที่หนึ่งคือเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ละเว้นเสีย ให้ละเว้นเจตนาการกระทำเช่นนั้นแต่กลับให้กระทำคุณความดีคือให้มีเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขมีกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ซึ่งจะกล่าวโดยย่อก็คือว่าให้รู้จักมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าถ้าเราถูกเบียดเบียนอย่างนั้นคือเบียดเบียนชีวิตร่างกายให้ตายหรือให้พิกลพิการต่างๆเราจะรู้สึกอย่างไรคนอื่นรู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างไรผู้อื่นก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงพึงเลิกละงดเว้น คือไม่กระทาความชั่วดังกล่าวแต่กลับให้มีเมตตากรุณาธรรมต่อกันเห็นอกเห็นใจกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับการกระทาคุณความดีด้วยการรักษาศีลและการกระทาคุณความดีคือมีเมตตากรุณาธรรมต่อกันเห็นอกเห็นใจกันเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมจึงมีการแผ่เมตตาแผ่กรุณาพรหมวิหาร ตลอดทั้งมุทิตาและอุเบกขาพรหมวิหารไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณจึงเป็นการกระทำที่ชื่อว่าเป็นคุณความดีอย่างหนึ่งและสำคัญอีกด้วยเพราะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเวรภัยจากการที่มีเจตนาเบียดเบียนคนอื่นและยังเป็นผู้มีน้ำใจงามที่ไปอยู่ณสถานที่ใด อยู่ในที่ไหนๆก็จะไม่มีศัตรกูกลับจะมีคนมีเมตตากรุณาตอบแก่เราทีนี้สำหรับความชั่วความไม่ดีประการที่สองที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่การลักช่อการกระบทคดโกงผู้อื่นหลายๆวิธีด้วยกลวิธีต่างๆ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินสิ่งของหรือแม้แต่ตำแหน่งแหล่งที่หรือเกียรติคุณความดีของผู้อื่นเอามาเป็นของตนโดยประการอันไม่ชอบคือไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนี่ก็เช่นกันให้เลิกละเสียด้วยการรักษาศีลข้อที่ส่งคืองดเว้นเจตนางดเว้นทีเดียวที่จะไม่ กบฏคดโกงใครไม่หลอกลวงใครอย่างนี้เป็นต้นแต่กลับจะกระทําแต่คุณความดีคือประกอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบบุคคลที่ประกอบอาชีพโดยชอบแล้วย่อมมีความสบายใจประกอบอาชีพโดยชอบนั้นคือไม่คดโกงใครไม่หลอกลวงใครเขาหากิน นี่ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญและนอกจากนั้นยังรู้จักมีจิตใจที่เพื่อแพรเอื้ออารีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็มีคุณธรรมจากข้อแรกคือมีความรู้สึกปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ก็รู้จักให้รู้จักเสียสละ ทรัพย์สินความสุขส่วนตัวตลอดทั้งเวลาความรู้ความสามารถและสติปัญญาช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้ค้นทุกที่มีทุกให้ได้ค้นทุกแต่ที่ประสงค์จะได้ความสุขที่ดีคือสันติสุขคือความสุขด้วยความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปก็มีจิตรักใคร่ ที่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขก็สามารถที่จะเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์ของเราช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ต้องไปอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันไม่ต้องโลภโมโทสันกอบโกยไว้เป็นความสุขเฉพาะตัวหรือเฉพาะหมู่เหล่าของตัวให้รู้จักเผือแผ่ความสุขจาก รับสินตลอดทั้งความรู้ความสามารถสติปัญญาต่างๆช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีความสุขด้วยถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นคุณความดีและคุณความดีอย่างนี้ยังมีผลดีที่ควรจะทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทานคือการให้คำว่าทานคือการให้ซึ่งเป็นการเสียสละ ทรัพย์สินหรือความสุขส่วนตนให้แก่ผู้อื่นนี่อย่างหนึ่งและการให้หรือเสียสละธรรมะเป็นประทีปส่งทางชีวิตแก่คนอื่นให้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขไม่ไปสู่ทางที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนั้นก็พึงกระทำแต่เฉพาะทานกุศล ที่เป็นทรัพย์สิ่งของนอย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอานิสงค์คือผลของบุญกุศลจากทานกุศลเช่นนี้ให้ทราบนะว่าการให้ทานกุศลอย่างนี้ให้อย่างไรแล้วจะได้รับผลอย่างไรนี้ปรากฏอยู่ในเวลามะสูตร ปนะรากฏอยู่ในเวลามะสูตรซึ่งพระสริมังคล า, ารย์ได้นำมาอธิบายเรื่องทานในมงคลสูตรได้แสดงผลของการให้ทานควบคู่กันกับได้นำพระพุทธดํารัสในทักทินาสูตร มาแสดงร่วมกันด้วยในทักทินาสูตรนั้นสมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอานิสงส์แก่ผู้ที่ได้บริจาคทานไว้อย่างนี้ตั้งใจฟังให้ดีว่าการให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานอิ่มหนึ่ง ได้อานิสงค์คือจะได้ผลบุญที่จะมาตอบสนองตนโดยธรรมชาติตามกฎแห่งกรรมหนึ่งร้อยเท่าคำว่าหนึ่งร้อยเท่านันหมายความว่าจะได้ผลเป็นความสุขจากความเป็นผู้ที่มีอายุยืนอยู่ในวันณดี มีความสุขมีพละกำลังพลานามัยดีและมีปฏิภาณดีห้าอย่างอย่างละห0 0อย่างละหนึ่งอัตภาพนี่ได้อานิสงส์ถึงขนาดนั้นนี่ให้อาหารแก่สัตว์เดรัจฉานอิ่มหนึ่งได้อานิสงส์เป็นร0อยเท่าคือได้อายุวันนะ สุขะ ภ, ภละปฏิพันธหอย่างนี้อย่างละหนึ่งรอัตภาพถือหมายความว่าเกิดมาร้อยชาติจะได้รับผลเป็นความสุขด้วยอายุวันนะสุขะภะละปฏิพานนี่อย่างนี้แต่ว่าจะได้อย่างไหนก่อนอย่างไหนหลังนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่อานิสงส์จะส่งอย่างนี้และถ้าทาบุญกุศลบริจาคทาน แกบุคคลผู้ทุศีนนี่ขึ้นมาเป็นบุคคลนะผู้ทุศีลคือคนไม่มีศีนเลยแต่การให้ทานนะจำไว้นะที่พระพุทธเจ้าหมายถึงเนี่ยหมายความว่าให้ทานด้วยจิตใจประสงค์จะอนุเคราะห์ด้วยจิตใจประสงค์จะบูชาแต่ไม่ใช่ให้ทานที่เป็นโทษเช่นให้เพื่อเป็นศีลนบนหรือว่าเลี้ยงสัตว์ แล้วก็ให้เขากินเพียงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์จากเขาเหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้ด้วยจิตใจจะอะลุเคราะและให้ด้วยการบูชาอย่างนี้เฉพาะให้แก่คนทุศีนได้อานิสงส์ถึงหนึ่งอัตภาพขออภยัยได้อานิสงส์ถึงหนึ่งพันเท่าคือจะได้อายุวัร น, นะสุขพะพระปฏิพาน อย่างละห้อย่างละหนึ่งพันอัตภาพแต่ถ้าให้แก่ผู้ที่อยู่นอกพระศาสนาและปฏิบัติจนเกิดฌานสมาบัติได้อภิญญาโลกีอภิญญาและเป็นผู้ที่รู้เรื่องกรรมอย่างนี้จะได้ถึงแสนโกดเท่าทีนี้ถ้าว่าให้ทาน คืออาหารเป็นต้นแกผู้ที่ปราถนาพระโสดาปฏิพันพระสกิทาคามีผลพระอนาคามีผลพระอรหัตตผลเป็นต้นคือนับตั้งแต่ผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจนกระทั่งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้ได้รับอนิสงส์นับประมาณไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่การกระทําคุณความดีนั้นจะได้รับผลดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นควรที่ทุกท่านจะพึงปฏิบัติธรรมโดยการละความชั่วด้วยการรักษาศีลและกระทําคุณความดีอย่างเช่นมีเมตตากรุณาต่อกันประกอบสัมมาอาชีวะและรู้จักเสียสละบริจาคและให้ทานซึ่งกันและกันยิ่งให้ทานแก่ผู้มี คุณธรรมสูงยิ่งได้อานิสงส์สูงด้วยประการชนิสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านเจริญพรที่สาธุชนรับฟังจบลงไปสักครู่นั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพส่สดธรรมกายารามอำเภอดาเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก่อนจากกันวันในวันนี้ อาตมาภาพขอประชาสัมพันธ์ข่าวของวัดหลวงพ่สดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งจะจัดอบรมพระกรรมฐานประจำปีรุ่นที่35ในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมศกนี้ดังเช่นเคยปฏิบัติมาทุกปีจึงขอนิมนต์พระภิกษุสามเณรและขอเชิญ ญ, ญาติโยมสาธุชนไปสมัครเข้ารับการอบรมได้ สำหรับญาติโยมนั้นขอให้แต่งชุดขาวถือศีลแปดและอยู่กรดเช่นเดียวกับพระภิกษุษสามนเณรในวันที่30เมษายนศกนี้เวลาบ่ายโมงจะมีรถจอดรับส่งท่านสาธุชนที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการป ร, รียนวัดสเกตราชวรหมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองกรุงเทพไปยังวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจึงขอนิมนต์และขอเชิญท่านสาธุชนที่มาตักจากต่างจังหวัด และผ่านไปทางกรุงเทพไปขึ้นรถรับส่งได้ในวันที่30เมษายนเวลาประมาณ13นาฬิกาหรือบ่าย1โมงที่หน้าศาลาการประรียนวัดสเกตสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์6211235 6ได้เป็นประจำทุกวันสำหรับรายการธรรมะส่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน